รับฟังที่ครบคะ่ะราการสัสนสีสนทนานะคะฉันสัสนสีนาคพงศ์ดำเนินรายการผ่านไปสําหรับพระภิกษุรูปแรกของรายการนี้กระมากชาคพวโรวัฒนาปะพง์ลำนุ ก, กากรองสิทธ์ค่ะสำหรับผู้ทวจนะที่ท่านได้อ่านให้กับพวกเราได้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบพ่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะให้เป็นคนที่สิ้นกรรมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปถามเรื่องเนี้ย ต่อกับท่านเพรบุญด้วยนะคะจะได้ฟังให้อ่าได้มากกว่าเท่าที่จะฟังพระสูตรแต่เพียงอย่างเดียวในช่วงเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพูท้ทวจะนะพบกับพระเพรบุญอภิปุโ น, โนค่ะสสการรัตสการนะคะเตมปานก็เป็นช่วงเวลาที่ได้มากราบสนทนาธรรมกับท่านนะคะจริงๆมีเรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่จะกราบเรียนถามแต่คิดว่า ค, ค่อยๆไล่ส่งกันบ้านดีกว่าอืมสําสหรับ ช่วงแรกนี่จะขออนุญาตที่จะใช้คำถามที่มีไปถึงท่านเลยนะคะจากท่านผู้ฟังที่ชื่อคุณสุดาราค่ะคุณสุดาราบอกว่าเดินม่เคยฟังทางวิทยุ f อฟเอมรอยหกตอนนี้ยาก็เลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตคุณสุดาราฟังอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ f อ1 0 6 f มร้อยห e w s นสนะคะสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาฟังได้ง่ายๆก็จะง่ายกว่าที่ต้องไปเซิร์ชในเน็ตทีนี้บอกว่า แต่กเกษียณแล้วจึงพอทําได้ทราบมาว่าก่อนตายควรนึกถึงสิ่งที่ดีแต่มีวิบากที่สมัยเรียนได้ค่า ก, กบตายเพื่อการศึกษาด้วยความงกอยากมีไว้ศึกษาที่บ้านแต่ที่คณะเขามีให้แล้วปัญหาคือเมื่อทําอาณาปานาสติก็จะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเสมออเป็นคนมีเมตตาจะมีวิธีใดที่จะไม่เอาเรื่องนี้มาคิดรู้สึกยังไม่สงบเวลาทาสมาธิแต่ไม่ได้พยายามอย่างสุดๆ ลุกขึ้นนั่งกลางดึกก็เกรงใจสามีซึ่ง mm hmm. ท, ทำงานเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นรูปแบบแต่เขาเป็นคนดีและยังไม่คิดจะศึกษาส่วนตัวคุณสุดาราเองกว่าดี๋ฉันไม่แข็งแรงเมื่อก่อนนอนฟังท่านเทพแต่ปัจจุบันมักจะลุกไปห้องหนึ่งก็ฟังทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีความรู้ด้านนิดน้อยยังไม่เข้าใจสังเกตของผู้ทว่าชนะจึงยังไม่นำมาเรียนถามแต่หวังว่าคงได้รับคําตอบทางใดทางหนึ่งอื mm hmm. ค่ะถ้าไม่ตอบทางอีเมล โปรดให้ผู้ช่วยงานของท่านบอกว่าจะให้ฟังที่ไหนคะ <c oughs> อันนี้ก็แจ้งให้ทราบได้ว่าคือในเพียวธรรมะคอเนี่ยก็จะมีให้ฟังอยู่ย้อนหลังก็ได้นะไม่ใช่เฉพา ะ, ะคือฟังออนไลน์เนี่ยของทาง FM106 หรือว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยคือเขาจะต้องฟังเรียลไทม์ใช่ <c oughs> คือวินาทีนั้นเอาอกากาศอะไรนะทางอินเทอร์เน็ตทางมือถือหมายถึงว่าทางโทรศัพท์มือถือคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกัน ที น, นี้ถ้าเราต้องการฟังย้อนหลังสมมุติรายการตอนตีห้าจะมาฟังตอนสามทุ่มได้ไหมไปที่พิเอลธรรมะคอมวันนี้สามารถฟังได้ค่ะเนาะส่วนอีกประการหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องที่ไทยทําผิดศีลไว้เช่นค่ากบค่าอะไรพวกนี้ไว้ใช่ไหมที น, นี้พอมาตอนนี้มันก็แหมรู้สึกเป็นเป็นไม่สบายใจอันนี้เป็นธรรมดานะอันนี้เป็นอันนี้สงของการทําผิดศีลอยู่แล้วการทําผิดศีนี่คือคุณผิดปกติเนี่ย ทำผิดศีนี่ก็เรียกอ น, นิสงฆ์ได้เหรอคะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะร้อนใจค่ะนะคือผู้เช่าบอกว่าถ้ามีศีลเนี่ยจะมีความไม่ร้อนใจนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศีนผลที่จะได้รับก็คือความร้อนใจเฉะนั้นผลที่จะได้รับเนี่ยผู้เช่าบางทีใช้คำว่าวิบากใช้คําว่าอ น, นิสงฆ์ก็ได้เหมือนกันนะ อ, อ๋ค่ะเพราะฉะนั้ น, ม, น <c oughs> มันก็ได้ทั้งทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทำปิดไว้นะเราก็ต้องมีความร้อนใจ แล้วเราจะแก้ยังไงอ่ามันเป็นธรรมดานะคือสิ่งไหนคุณทําไปแล้วเนี่ยคืออะไรที่ทําไปแล้วเนี่ยคุณต้องได้รับผลเข้าใจไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราค่ากบค่าอะไรไปแล้วเนี่ยคุณต้องได้รับผลผลคือความร้อนใจอันนี้คุณได้รับก็ถูกแล้วเอ๊เราจะทำยังไงให้ความไอ้ความร้อนใจของเราเนี่ยมันเบาบางลงไปอ่ามีวิธีแก้อยู่ค่ะนะคือเรื่องแก้กรรมเนี่ยมันมันพอทําได้ ในธรรมะวินัยนี้ตามระบบที่ผู้เช่าสอนคือเรื่องของมรคแปดคือผู้เช้าเคยเปรียบเทียบเอาเกลือมาก้อนหนึ่งนะเอาเกลือมาจํานวนหนึ่งก็ผสมลงไปในน้ําแก้วหนึ่งเราลองชิมดูเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเค็มนะแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเดียวกันเนี่ยไปผสมในแม่น้ําเจ้าประยานะหรือแม่น้ํำคงคามันก็จะความเค็มขอมันแทบจะไม่มีเลยเหมือนการไอการที่เราฆ่ากบไว้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความร้อนใจ นะความร้อนใจนี่คือเกลือ<ช>นะ <palm. S 1> เกลือที่เป็นความร้อนใจเนี่ยพอเราเอามาเกิดขึ้นในจิตของเรานะถ้าจิตของเรามีน้ําน้อยมันจะเค็มมากมันจะทําให้มีความร้อนใจเนี่ยมากนะแต่ถ้าจิตของเรามีน้ํามากไอ้ความร้อนใจหรือเกลือเนี่ยก็จะมีความเค็มน้อยลงไปน้ำในที่นี่คืออะไรน้ําในที่นี้คือความดีของคุณน้ําในที่นะี่คือบุญกุศลที่คุณสร้างสมบูรนะเพราะฉะนั้นเะนี <c oughs> <c oughs> ่ยถามว่าเราจะทำไงให้เกลือนี่ความเค็มมันน้อยลงไป ก็คนะืคุณก็สร้างกุศลให้มามากขึ้นนะด้วยการให้ทานด้วยการแผ่เมตตาด้วยการเจริญสม า, สมาธิภาวนาด้วยการรักษาศีลด้วยการให้ทานทําซ้ําๆย้ำๆไม่ใช่เฉพาะกับคนในบ้านเท่านั้นอาจทำกับเนื้อหน้าบุญนะทํากับคนที่เป็นคนดีเนะี่ยคุณจะยิ่งได้บุญมากได้บุญมากก็คือปริมาณน้ําที่มันมากป ร, ปริมาณน้ํามันมากแล้วเนี่ยไอความเค็มของเกลือความเข้มข้นขอ ง, ของความร้อนใจเนี่ยก็จะลดลงไปเป็นะอย่างงี้นะ ค่ะอันนี้เหตุผลตามพุทธวจนะเลยค่ะก็เท่ากับว่าประเด็นสําคัญที่ได้จากคําถามของคุณสุดาราและเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างในเรื่องของศีลใช่ไหมคะท่านควรจะบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งการไม่ร้อนใจดังนั้นถ้าเราพลาดพลัง้งเผลอไปทําในสิน่งที่ผิดศีลแล้วบังเอิญเราเป็นคนรู้ว่ามันผิดศีลความร้อนใจก็จะตามในในภายหลงังถูกต้องแน่นอนดิฉันแทรกคําว่า เป็นคนรู้ว่ามันขิดสีเนี่ยเหตุผลเพราะว่านี่มเป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าคนคนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีตามมาตรฐานทั่วไปอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบหนึ่งที่ทําให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นทั่วๆวไปเขาว่าเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาอเช่นคนที่เกิดมาในครอบครัวต้องค่าค่าค่าค่าค่าเพื่อขายสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ถ้าจะมองเห็นว่าอุ้ยกีกบตัวนิดเดียว มีค่าวัว น, นะฆ่าทุกวันเลยวันละหลายตัวยังไม่รู้สึกอะไรเลยใช่มันก็มีส่วนตรงที่เรื่องของกาเลนามิดไงนะคะกาเลนามิดสำคัญจึงจึงควรที่จะรักษาศีลเพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุให้ต้องมาร้องใจกันในภายหลังถูกต้องและสุดท้ายอาจจะเมื่อก่อนไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเพื่อนๆก็ทําเรียนโดยกันเดี๋ยวก็เชือดนอนเชือดนีเดนเดนเดน่เอาไปพิสูจน์ไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ทีนี้พอโตขึ้นมามาปฏิบัติธรรม อันนี้มันเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะจะทบทวนชีวิตนี้ฉันไปทําผิดอะไรมาบ้างเนี่ยเออมันมันต้องอตรงงี้ด้วยคือศีลเนี่ยคือความปกติเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจทีนี้สมมุติคนที่มีการฆ่าอยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นรู้สึกร้อนใจเลยเลยทำไมเราตบยุงตัวเดียวเราร้อนใจแลไอ้นี้มันไม่มันไม่ยู่ติธรรมหรือเปล่าถ้างั้นสู้เราไม่ต้องมาเรียนคําสอนพระเจ้าดีไหมว่า ว่าแบบว่าไม่ต้องรู้ว่าตบยุงฆ่าสัตว์อะไรอย่างนี้ฉันฆ่าได้ฉันก็ไม่ร้อนใจอย่างเงี้ยแต่สู้ไม่เรียนดีกว่าพอเรียนแล้วรู้สึกร้อนใจอันนี้ถึงว่าถามว่าความคิดของคุณตรงเนี้เป็นสมาธิฐิไหมล่ะถ้าคุณคิดว่าฆ่าวัวฆ่าควายแล้วไม่เกิดความร้อนใจไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิไงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโอ้โหยิ่งนําพาความทุกข์มายิ่งกว่าความร้อนใจอีกนะเพราะว่าความร้อนใจเนี่ยมันยังประเดียวประดาเดี๋ยวนี้นะ อาจจะไปะอีกหลายปีหน่อยแต่ถ้าเบอกว่าคุณตัวเองก็ยังไม่มีสติรู้ว่าความร้อนใจอยู่ส่วนหนึ่งของในใจแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะเรายังทำไปเรื่อยเนี่ยนี่มันนรกกาเนิดเดเรัานปลววิสัยแน่นอนเลยมันมันอันตรายมากกว่าอีกอะค่ะนะคะดังนั้นเ ร, เราสู้มารู้แล้วก็แก้ไขให้ถูกน ะ, ะพรอคุณรู้แล้วปะอ้าวไอ้ที่เราทำผ่านมานี่มันมันไม่ดีหมดเลยนี่แล้วเกิดความร้อนใจขึ้นใช่ไหมอ่าเรามาแก้กัน นะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ใช่พระอาหารหันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยบุนคคลขั้นใดกันหนึ่งเนี่ยมันความผิดพลาดในชีวิตมันมีได้ทั้งนั้นแหละคุณยมติว๋วค่ะนะต่อให้คุณเป็นผู้นําเป็นราชามหมาก ร, รยิย์เป็นคนไหนอ่ยมันก็มีทําความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เป็นธรรมดานะคะสิ่งที่สําคัญคือเรายอมรับและแก้ไขไหมค่ ะ, มะเมื่อสักครู่ท่านได้แนะนําว่ามีวิธีใดที่ให้เ อ, เอาเรื่องกบเนี่มาคิด เรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันมาคิดเพื่อให้เกิดความสงบเวลาทำสมาธิเอ่อก็คือด้วยการสร้ า, าะะงสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นนะคะสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นก็ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเดินตามมักแป้นั่นเองท่านเขาพูดถึงถ้าเกิดวิธีอนาบานาสติอย่างที่ท่านมาดิสอนในตอนต้นรายการเนี่ยในเมื่อเราเอาตัวรู้ไปรู้อยู่กับลมหายใจพอมีความคิดเรื่องกบเข้ามาเนี่ย เราก็วางกบทิ้งไปรู้ลมหายใจแทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นวิธีที่เกิดแก้มถูกต้องถามว่าการที่เราปล่อยวางได้การที่เรามารู้ลหายใจอย่างเดียวเนี่ยนี่เป็นสมาสมาธิสมาสติหมดน ะ, ะสมาสมาธิสมาสติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมรแปดนะก็เป็นทางมาแห่งบุญนั่นเองค่ ะ, ะมันก็กกต้องสู้กันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกับว่าต้องพยายามต่อไปต้องพยายามต่อไปทีนี้ ไอ้ช่วงเวลาที่เราวางเรื่องกบได้แล้วมารู้ลงหมาใจเนี่ยมันอาจจะสัดส่วนนี้อาจจะมากคือรู้เรื่องกบมากรู้่ลงหมาใจได้น้อยแล้วทําไปทําไปไอ้ตรงที่รู้ลงหมาใจได้น้อยเนี่ยมันก็มารู้ได้มากขึ้นไอ้ตรงที่รู้เรื่องกบมากขึ้นมันก็ลดลงไปก็สัดส่วนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนะค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับธนูฝั่งท่านนี้ที่ได้กรุณาถามคำถามมาคุณสุดาราเนี่ยนะคะก็ได้ประโยชน์ จระก้น <c oughs> มีประเด็นหนึ่งที่อยู่ในคำ <c oughs> ถามคุณสุดารา <c oughs> นะที่เกี่ยวกับว่ า, าตรงนี้ก็เมตตาก็ด้วยเหมือนกันนะนะที่ที่ถามมานะ <c oughs> ก็ถูกต้องเราก็แผ่เมตตาให้เขาได้จิตใจเราว่าะสบายาทีนี้เรื่องของการศึกษาธรรมะเนี่ยที่พูดถึงคุณสามีที่ว่าเป็นคนดีแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นรูปแบบเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้คิดจะศึกษาธรรมะมีประเด็นตรงนี้ที่ว่าถ้าถ้าเราเป็นคนดีโดยปกตินะคุณอาจจะจําพุทธวจนะไม่ได้จะไม่ได้ฟังธรรมะ อาจจะไม่ได้ปฏิบัติทําไปที่วัดแต่ว่าเราทํางานอย่างดีเลี้ยงดูครอบครัวอยู่บ้านเราก็มีศีลไม่ได่าใครไม่ว่าใครทํางานอย่างขยันขันแข็งเนี่ยชื่อว่าคุณมีธรรมะแล้วนะคือพื้นฐานของจิตเราเนี่ยชื่อว่าสูงละนะมีมาตรฐานละรู้ผิดชอบชั่วดีละนะคนแบบเนี้ยถ้าเผื่ว่ามาเรียนรู้ธรรมะให้มากขึ้นเนี่ยโหจะไปได้ไกลนะเพราะว่า <c oughs> อินทรีย์ของเขาเนี่ยมันแก่กล้าอยู่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบเท่านั้นเอง อ่าพอเข้าสู่ไวไัยใดวัยหนึ่งในในชีวิตเนี่ยที่ว่าพอมีโอกาสว่างมากขึ้นเนี่ยมาศึกษามากขึ้นเนี่ยว่ามันจะไปได้เฉลุยเลยหรืมามีความเห็นว่าอย่างนี้นะค่ะอแล้วก็เรื่องของการฟังธรรมะเนี่ยผู้เช่าก็เคยพูดถึงคนที่นอนฟังเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นพระป่วยหรือว่าเป็นคนที่มีอาการทางร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยก็นอนฟังได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะในกรณียุคพุทธกาลนี่คงจะหมายถึงว่า มีพระผู้แสดงธรรมอยู่เฉพาะหน้าด้ยค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องแต่ทีนี้ในยุคนี้อะท่านคะคือพระก็มาทางวิทยุบ้างมาทางอินเทอร์เน็ตบ้างนอนฟังไม่ได้หรอคะอทําไม่ป่วยะะอ่ะค่ะเออก็คือว่าธรรมะเนี่ยเวลาเราฟังเราก็ต้องเคารพอะนะคือฟังจริงๆ <c oughs> แล้วมันฟังด้วยหูอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็การฟังธรรมะเนี่ยพระเจ้ายัางพูดถึงไม่ให้ถืออาวุธอไม่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้สวม ห, สวหมวกให้มีความเคารพในการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นถามว่าคือถ้า เราก็ควรจะแสดงความเคารพในสิ่งที่เราจะต้องจะสามารถช่วยเราให้หลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตของเราได้อนะค่ะมันมีลักษณะนี้นะคะคนทั่วไปถ้าจะจินตนาการถึงว่าทําไมถึงต้องนอนฟังธรรมบางคนก็อาจจะเป็นนอนไม่หลับและแทนที่จะเลือกที่จะไปฟัง อ, งอื่นๆหรือทําอะไรให้มันเพลินเพลอย่างอื่นอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกใช้ฟังธรรมแทนแต่ร่างกายก็แย่แล้วมันควรพักผ่อนและ พรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแล้วอันนี้ก็น่าจะพอได้ถ้าฟังด้วยความสำรวมความเคารพคือคือหมายว่าอาตมาไม่เห็นอาตมาไม่ว่าอะไรหรอกนะค่ะก็สรุปแล้วทำเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ <c oughs> ใช่ใช่ชและถ้าหากว่ า, าประเด็นที่ท่านพูดคือไม่ให้ใส่รองเท้าเนี่ยสมมุตินะคะตารวจเข้าไปนั่งฟัง พระแสดงธรรมพระสวสดศพนี่ถือว่าแสดงธรรมไหมคะท่านคะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ๋อเหรอคะเพราะว่ฉันก็เห็นในงานศพบางครั้งเราก็ไม่ได้ถอดรองเท้าว่าเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นมีใครถอดสักคนอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็ตรงนั้นมันจริงๆข้อเนี้เป็นลักษณะอาบัติที่อาบัติเบานะคืออาบัติทุกกดนะเป็นเอ่อจริงๆแล้วเป็นแค่ข้อพึงศึกษาว่าภิกษุเนี่ยควรทําการศึกษาอย่างนี้นะทีนี้ไม่ได้ปรับอาบัติด้วยซ้ำว่าเป็นอาบัติทุกกดหรืออาบัติอะไรนะเพราะงั้นจริงๆเป็นข้อที่ภิกษุคคววรรทํําากงถึ นะเพระฉะนนอย่างสมมุติในกรณีท่านผู้ฟังนอนฟังเนี่ยเอามาไม่เห็นเราก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ถ้า <คะ S 1> เราเห็นเห็นแล้วเราคนนี้เราพอจะบอกได้เราก็จะบอกถ้าคนนี้ <คะ S 2> เราจะพอบอกไม่ได้เราก็จะผ่านอย่างเงี้ยแค่นี้น <คะ S 2> ดังนั้นถ้าจะให้ดีสมมุติว่าในกรณีเราเป็นผู้ที่รู้แล้วอืมแล้วเรามีโอกาสจะต้องฟังธรรมก็ให้ทราบว่าพระนพุทโธนั้นได้กล่าวเอาไว้เป็นผู้ทวจะนะว่าถ้าฟังธรรมแล้วไม่ไม่ให้แสดงธรรมใช่ไหมคะไม่ได้ห้ามคนไม่ไม่ได้ห้ามคนสักแต่ห้ามพระสง ไม่ให้แสดงธรรมชกับผู้ที่ใส่รองเท้าผู้ที่พกอาวุธเป็นต้นพกอาวุธสวมตรวจต้วางอาวุธเลยใช่ไหมคะใช่ใแต่งเครื่องแบบไม่ต้องถอดหมวกวางอาวุธไว้แล้วก็ค่อยฟังธรรมค่ะอ่าวันนี้หอมปากหอมคอนะคะท่านข้ก็ได้ประโยชน์ไปเยอะทีเดียวอ่าไว้พรุ่งนี้ก็มารบกวนท่านต่อนะคะเยี่ยมานวันนี้นามสการขอบพระคุณท่านค่ะเยี่ยมานค่ะท่านฟังคาร์ดนั้นก็คือพระพบูลอภิปุโน จากวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีค่ะที่วัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีท่านพิบูมกว่าสัปดาห์นี้ก็มีคอสปฏิบัติธรรมอีกแล้วนะคะนั่นก็เป็นปกติของที่นั่นซึ่งท่า น, นก็ต้องขออนุมโมทนาใจแล้วแต่ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเพราะาได้ไปเห็นบรรยากาศของการที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆนะคะก็ชื่นใจและก็กําลังจะมีการทอดกระถิ่นกันที่นั่นในวันที่11เดือนพฤศจิกา ย, ยนนี้ ท่านใดมีความรู้สึกอยากจะทำบุญทอดกระถิ่นถ้าต้องการรายละเอียดมากไปกว่านี้นะคะท่านก็เชิญติดต่อไปที่022690006สำหรั บ, รบพระภิกษุอีกรูปของเรานะคะคือพระมาร์คชาคาวโรท่านก็อยู่อีกวัดหนึ่งค่ะอยู่วัดนา ป, ป่าพง์วัดนา ป, ป่าพง์ที่พระอาจารย์คริสต์โสธิพโลที่ได้เมตตามอบหนังสือผู้ทวันะให้กับพวกเราเจ้าวาดอยู่ วันของท่านก็กำลังจะมีการทอดกระถินอีกเช่นเดียวกันวันที่4พฤศจิกายนรายละเอียดก็มีที่เดียวกันเวลานะคะ022690006ที่ท่านสามารถทิ้งคำถามกับสามารถที่จะขอหนังสือได้เราจะกลับมาพบกันตี5วันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพุทโ์สวัสดีค่ะ